ปูวาทปาติโมกนะ้ะมันมีสามท่อนนะเรารู้กันแต่ท่อนกลางที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วนะบทที่1 น, นจะเป็นเรื่องการวางตัวของผู้เผยแพร่มีคันติไปประกาศพระนิพพานวิธีการเนี่ยไม่เบียดเบียนรางสรรนะนี่เป็นหลักของคนประกาศธรรมะสัว ท, ท่อนที่3นี่จะเป็นเรื่องการวางตัวของผู้ปฏิบัติของพรนะ เริ่มแต่อนูปวาโตไม่กล่าวร้ายอนูปคาโตไม่เบียดเบียนรังผลน์สำรวมในพระปฏิโมกสามอันแนละ้วนะแล้วก็รู้ประมาณในอาหารนะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงดหมายถึงไม่คลุกคลียอะไรนะอันที่หกประกอบอาธิจิตฝึกจิตนะมีความสุขมีความสงบอยู่นะสงบแล้วเดินปัญญาเราก็เอาไปใช้ได้ ไม่เฉพาะของพระหรอกถ้าเราปรับให้เป็นของครวาสนะการไม่กล่าวร้ายเราก็ไม่กล่าวร้ายได้เห็นไมไม่เบียดเบียนรางผลาญเราก็ทำได้ไม่ต้องถือพระปติโมกข์หรอกถือศีลห้ารักษาศีลห้าไว้บริโภคตามความจำเป็นถ้าเป็นอย่างคราวาสนะไม่ใช่มีเยอะกับบริโภคเยอะอะไรเกินจำเป็นนะแล้วก็ลูกคลีให้น้อยสังสรรค์ให้น้อยหน่อยนะ เช้าเย็นเฮเย็นอะไรเงเฮเฮหาหาได้กินอ่ะเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นนะไม่ได้กินอ่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตไปการฝึกจิตก็มีสองส่วนฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวกับฝึกให้เกิดปัญญาจําเป็นนะหลวงพ่อสอนพวกเราเนะี่ยตอนนี้พวกเราพัฒนาการปฏิบัติของเราขึ้นเยอะมากนะแต่ละคนแต่ละคนสังเกตไหมช่วงหลังๆจะเน้นเรื่องการเจริญปัญญามาก ก่อนหน้านี้จะสอนอะไรมากดลออกไหสอนให้หัดมีสตินะสอนให้หัดรู้สึกตัวนะสอนพวกนั้นเยอะอย่างหัดดูจิตดูใจเนี่ยการดูจิตเนี่ยสิ่งที่ได้มาแน่เลยนะถ้าดูเป็นนะได้สมถ t แน่นอนเลยงั้นบางทีบางท่านไม่เข้าใจเรื่องการดูจิตก็คิดว่าการดูจิต น, น, นนะี่เป็นสมถ t h รขมั่นฐานละ้วนๆเพราะจริงๆถ้าทําไม่ดีเป็นสมถ t นะอย่าว่าแต่ดูจิตเลยดูกายก็สมถ t นะถ้าดูไม่เป็นนะ ดูอะไรไม่เป็นมันก็เป็นสมถะไปเพ่งไปจ้องไว้ก็เป็นสมถะอย่างการดูจิตนะให้เป็นสมถะน ะ, ะจะบริกรรมช่วยด้วยก็ได้ะจะบริกรรมพุทธโธ ร, รู้ลมหายใจไปมีสติรู้จิตไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ปัดทิ้งไปเลยไม่เอานะรักษาจิตไว้จิตสงบจิตตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนือ้อกับตัวสงบได้สมาธิไม่ได้ปัญญานะเราดูจิตให้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะ เราต้เห็นเลยตัวจิตที่เป็นตัวรู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลาก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปด้วยเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายเกิดดับเกิดดับไปแต่ว่าไม่ใช่ภาวนาเราเห็นแต่นามธรรมาหลวงพ่อถึงพูดหนึ่งหนึ่งนะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตตื่นขึ้นมาแล้วจิตตื่นคือจิตตั้งมั่นมีสมาธิแล้วไม่มีสายแล้ว บางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตจะมารู้อันเดียวไม่ได้ละวั้นการดูจิตเนี่ยมันดูเป็นคราวๆไม่ได้ดูทั้งวันดูทั้งคืนบางครั้งก็ดูกายบางครั้งก็ดูจิตนะคนไหนถนัดเอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ดูจิตได้มากหน่อยคนไหนเอากายเป็นวิหารธรรมก็ดูกายมากหน่อยคนดูกายก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจิตนะอย่างเวลาดูกายมันก็เห็นเลยกายเป็นของถูกรู้ถูดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ดูทั้งกายดูทั้งจิตอีกละ ัการภาวนาพอถึงขั้นในการเดินปัญญานะบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้ละถ้ายังจงใจเลือกอยู่นะก็ยังเป็นสมถะอยู่เงื่นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเราสั่งไม่ได้หรอกว่าสติจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดแล้วจะรู้กายหรือจะรู้เวทนาหรือจะรู้สังขารหรือจะรู้จิตเลือกไม่ได้สักอันเดียวนะแต่ว่าทุกอันไม่ว่าจะรู้กายรู้เวทนารู้สังขารรู้จิต ทั้งมดล้วนแต่แสดงสิ่งเดียวกันแสดงไตรลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแสดงอันเดียวกันงั้นเวลาบางคนนะ่าตั้งจุดตั้งต้นเนี่ยแตกต่างกันบางคนทําสมาธิมาก่อนทําสมาธิมาแล้ ว, ม า, ลวมาเดินปัญญานะมาเดินปัญญาเนี่ยบางทีมันเดินไม่ได้จิตติดสมาธินิ่งอย่างเดียวนะครูบาอใจออกอูบายให้คิดพิจารณากายให้คิดเลยนะใช้ความคิดเข้าไปเลยกระตุ้นให้จิตทํางานนะ พอจิตทํางานคล่องตัวแล้วตอนนี้ไม่ต้องคิดหน้ามันเห็นเองเลยเห็นแยกธาตุแยกขันธ์แยกผมคนเล็บฟันหนังแยกหมดเลยแยกธาตุแยกอะไรไปไม่มีเราบางทีก็เห็นจิตทํางานนะไม่ได้เห็นแต่กายคนไหนทําชาญไม่ได้ก็มีสติรักษาจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปลรู้ในที่สุดจิตจะตั้งมั่นอยู่กันนะกับตัวจะช่วยบริกรรมด้วยก็ได้พุโทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วก็รู้จิตไปก็ได้ รู้ท้องผ่องยุบไปแล้วก็รู้จิตไปก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะนั้นกรรมฐานเนี่ยถ้าเราเรียนให้ดีนะเราใจะใจกว้างเราไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะอย่างหลวงพ่อเรียนมาด้วยการดูจิตนะดูจิตมาเยอะแต่หลวงพ่อก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึง่งว่าดูจิตไม่ใช่โซลูชันไม่มีกรรมฐานอะไรหรอกที่สําเร็จรูปสําหรับคนทุกคนจำไหมนะแต่ละคนเหมาะกับกรรมฐานที่ไม่เหมือนกันเพราะจริตนิสัยวาสนาบารมีแตกต่างกัน ใช่คำสองคำนะจริตนิสัยกับวาสนามบารมีไม่เหมือนกันจริตนิสัยมีสองกลุ่มพวกตัณหาจริตกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากกับพวกโลภมากพวกคิดมากให้ดูจิตดูธรรมจิตานุปนัสสนธรรมานุปัสสนาพวกโลภมากนะดูกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานนี้เป็นเรื่องจริตนิสัยเรื่องบารมีก็แตกต่างกันคนที่บารมีแก่กล้านะโดยเฉพาะมีปัญญากล้า ถึงจะเป็นพวกปัญหาจริตดูกายเวทนาเนี่ยท่านจะดูท่านสอนให้ดูเข้าไปที่เวทนาเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนซึ่งบา ร, รมีกล้าละคนที่บา ร, รมียังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนนะก็ดูกายจิตกระทําก็เหมือนกันคนซึ่งอินทรียยังอ่อนบา ร, รมียังอ่อนนะดูจิตอินทรีย์แก่กล้าบา ร, รมีแก่กล้าก็ดูธรรมนะเงื่อนกรรมฐานเนี่ยมันแยกตามอะไรตามจริตนิสัยแต่ตามวาสนาบา ร, รมีแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก ยังดูกายยังดูได้ตั้ง6แบบนะบางแบบเป็นสมถะนะบางแบบเป็นสมถะทําสมถะก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังยังดูปฏิกูลอาหารปฏิกูลนะพิจารณาอาหารเป็นปฏิกรูนนี้สมถะนะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาถ้ารู้อิทิยาบทสี่ถูกต้องก็เป็นวิปัสนาแต่ถ้าเพ่งก า, กายก็เป็นสมถะนะฉั้นไม่ว่ากรรมฐานอะไรนะดูกายหรือดูจิตนะมันอยู่ที่วิธีดูด้วย ดูผิดมันก็เป็นสมถะไปหมดนะแต่ถ้าเราจะทําสมถะเราก็ดูแบบสมถะเรียกว่าดูถูกนะแต่ถ้าเราจะทํำวิปัสสนาแล้วไปดูด้วยวิธีแบบสมถะก็ผิดวิธีการไม่เหมือนกันถ้าทําแบบสมถะ น, นะให้ระลึกรู้อารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องเลยไม่ต้องสนใจเรื่องไตร ล, ลักอย่าสนใจความเปลี่ยนแปลง น, นะให้จับตัวอารมณ์นั้นประคองอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นใจสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะ ดูจิตนะอาจจะบริกรรมพุทโธช่วยด้วยก็ได้ดูจิตไปจิตไหลไปรู้ไหลไปรู้ในสุดจิตไม่ไหลจิตตั้งมั่นได้สมถะจะไหมนะสมถะไม่ใช่วิปัสนาถัดจากนั้นต้องเดินปัญญาการจะเดินปัญญาได้ต้องมีสติมีสัมมาสมาธินะงั้นในองค์มรรคท่อนท้ายๆน่าจะเป็นเรื่องมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรนะมีเพียรก็มีสตินั่นเองมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียร มีสติรู้รูปที่กําลังปรากฏรู้นามที่กําลังปรากฏไปด้วยตามรู้ไปด้วยอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอรู้แต่ต้องรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นรู้ลมหายใจจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมรู้ท้องจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่เท้าแต่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะ่างนั้นถ้ามันจะเห็นทันทีเลยทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรา นี่ปัญญาจะเกิดในฉับพลันนั้นเลยไม่ใช่ทานาไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเกิดวันหนึ่งจะเกิดความจริงมันเกิดเลยตั้งแต่จิตตั้งมั่นนะมีสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้รูปรู้นามมีสติรู้รูปรู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนั่นคือตัวปัญญาปัญญานั้นเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ทางโลกโลกนะปัญญาในทางศาสนาพุทธคือการเห็นความเป็นจริง เข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนำมาทำซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะฝึกมากๆไปนะปัญญากล้าระหว่างของมันเองแนหะนะนี่การภาวนาเนี่ยทีแรกที่เราหัดเจริญปัญญาเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตนะรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะไปแจ้งกายมันแจ้งกายก่อนนะโดยธรรมชาติเลยเขากายเป็นของหยาบเรียนรู้ได้ง่ายมันจะแจ้งกายกายนี่ทุกร้อนๆหน่อยนะจิตวางกายไป จิตไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั้นมันเพลิดเพลินไปด้วยตาเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองถ้ามันเห็นว่าตาเป็นทุกข์แล้วรูปมันจะสวยได้แค่ไหนถ้าเห็นว่าหูเป็นทุกข์แล้วเสียงมันจะเพลาะได้สักแค่ไหนถ้าเห็นว่าจมูกเป็นทุกข์กลิ่นมันจะสําคัญสักแค่ไหนถ้าเห็นว่าลิ้นเป็นทุกข์นะรสมันจะสําคัญสักแค่ไหน ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์นะปวดทับพะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบก็ไม่สําคัญอะไรแล้วก็กายในตัวทุกข์เนี่ยถ้าแจมแช้งลงมานะว่ากายเป็นตัวทุกข์หรือตาปูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นมันก็คือกายนั้นเองนะเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสละกามและปฏิฆะได้นะเป็นพระอนาคามีถัดจากนั้นนะการปฏิบัติมันจะบีบงงเข้ามาที่จิตแล้วคราวนี้จะมาดูจิตแล้วนี่การภาวนานะ เบื้องต้นเราดูจิตได้สมาธิขึ้นมานะแล้วมาเจริญสติรู้รูปธรรมนา ม, มาทำเรื่อยไปคนไหนถนัดรู้รูรปธรรมก็ดูรูปธรรมเป็นหลักคนไหนถนัดรู้นามธรรมก็ดูจิตดูใจเป็นหลักอย่างหลวงพ่อถนัดนามธรรมหลวงพ่อก็ดูจิตดูใจมาเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้กายร่างกายขยับนี่รู้ทั้งวันนะนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลยอย่าว่า ต, ตื่นเลยนะเพราะถามว่าเรารู้กายไม่รู้ทําไมยังไม่รู้เห็นไหมกายไม่ใช่ตัวเราเห็นสินะ มันจะไม่เห็นว่ะแต่ว่าเรารู้จิตอยู่ชํานิชํานาญอยู่กับจิตเนืองเนืองเนี่ยคนไหนอยู่กับกายเนืองเนืองก็ได้ถนัดกายก็รู้กายเป็นหลักแต่ก็รู้จิตนะไม่ใช่ไม่รู้จิตเั้นการเดินปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งจิตแหละแล้วมันไปแจ้งกายก่อนแลแจ้งกายแล้ววางกายคราวนี้มันจะทวนเข้ามาหาจิตอันเดียวละนะแล้วเข้ามาที่จิตเข้ามาที่จิตแล้วคราวนี้มันจะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะทุกข์นะจิตทรงตัวเด่นอยู่อย่างนี้นะ โดยที่ไม่ได้ประคองนะถ้าอยากประคองอยู่เป็นเป็นขั้นสมถะถ้ามันทรงตัวของมันอยู่ได้โดยไม่ประคองเลยกรมมายั่วมันไม่ได้กรรมคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมายั่วจิตไม่ได้แล้วจิตรู้แล้วไอ้นี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตไม่ไหลไปหากกรมไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดโดยอัตโนมัตินะตรงนี้จิตทรงตัวเด่นอย่งมีความสุขผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วมันจบลงตรงนี้นีหลวงปู่ดูลพูดนะไม่ใช่หลวงพ่อพูด วันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่น่าที่ว่าแน่ๆเก่งๆอะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่รู้จักคําว่าผีใหญ่ไหมผีใหญ่คือพรหมเมื่อเช้าเล่าแล้วนะพรหมตัวใหญ่นะมันใหญ่จริงๆนะขนาดยักษ์ยังตัวเท่าแมงวันเลยว่พรหมตัวใหญ่มากบอกส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเป็นแค่ผีใหญ่เขภาวนามาถึงจิตแล้วนะก็พอใจแล้วมีความสุขแล้วไม่ไปต่อ งั้นภาวนาเนี่ยถ้าลงมาจบลงที่จิตเนี่ยเสร็จเลยนะจําไว้นะไปไม่รอดนละ้จะรักษาจิตตลอดไปกี่พว ก, กี่ชาตินี่อยู่อย่างนั้นนะ่ะเคยชินตายไปไปเป็นพระพรหมเป็นพรหมชนิดไม่มีร่างกายด้วยเวรกรรมหนักกว่าพรหมมีร่างกายไม่มีกายแล้วเวลาพระพุทธเจ้ามาตรั ส, สรูนี่ไม่มีโอกาสฟังธรรมเห็นไหมงั้นท่านถือว่าสวยเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านคิดถึงอาลาละดาบทอุทกรรดาบท่านเคยเรียนกับฤาษีคู่นี้นะ ตอนท่านบรรลุพระอ ร, ระหันต์ปุ๊บเป็นทอดพุทธเจ้าปุ๊บในท่านคิดถึงตาบทคู่นี้เลยท่านรู้ว่าตายไปซะแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพลมโอ้ท่านท่านใช้คําไพเราะนะบอกพลาดจากคุณอันใหญ่คืออะไรไม่มีโอกาสาได้ฟังธรรมละงั้นพวกดูจิต ด, ดูจิตระวงังนะตายไปเป็นอรูปประพลมนะเวียนกรรมพระศรีอานมายังไม่รู้เลยนะนี่ต้องระมัดระวงังนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่ง ทำยังไงจะผ่านตัวนี้ได้อีกต้องมาเจริญปัญญาที่จิตนี้อีกทีหนึง่งนะใช้สติปัญญานี่ซักฟอกลงไปที่จิตไม่ได้ซักฟอกที่กายแล้วจำแจ้งในกายมาแล้วต่อไปนี้ซักฟอกลงในจิตนะมีสติระลึกรู้จิตไปนะจิตเกิดดับนะในขั้นนี้ไม่ใช่จิตไม่เกิดไม่ดับบางคนนั้นเอาธรรมะปลายๆมาปนกับธรรมะต้นๆธรรมะตอนนี้จิตยังเกิดดับได้อยู่ตัวผู้รู้ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้ไม่เที่ยงครูบาอาจารย์สอนมาชัดๆเลย ว่าใครเห็นจิตผู้รู้เที่ยงนนั้นเป็นมิจฉาทิฐิสอนมาอย่างนี้นะจิตผู้รู้นี่แหละครูบาอาจารย์บางองค์อย่างอาจารย์มหาบัวท่านเรียกจิตอวิชชานะหลวงพ่อไปคุยกับท่านอาจารย์เทศหลวงปู่เทศทเรียกจิตต้นกําเนิดนะตัวนี้กําเนิดอะไรกําเนิดขันห้าออกไปได้อีกนะงั้นต้องซักฟอกด้วยสติด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยไม่นอนใจว่ามีความสุขแล้วนะส่วนใหญ่พอมาถึงตัวนี้ก็มีความสุขนะสว่างสบายเพลินมีความสุขทั้งวันแล้วนะ สบายมากเลยก็คิดว่าจบแล้วนานๆไปก็พบว่ามันเคลื่อนได้อีกมันมองได้อีกจิตดวงที่ว่าดีดวงที่ว่าวิเศษนะยังมองได้อีกบางทียังทุกแทรกเข้ามาได้อีกนะมีมีแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทุกข์หยาบๆอย่างที่พวกเราเป็นมันหมายถึงว่ามันแปลปลวนมันทนอยู่ไม่ได้นะมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ในภาวะที่ว่าสว่างแจ่มใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนมองมองมองมองมัวมัวบางทีก็ไม่ค่อยจะรู้ขึ้นมาเนี่ย พอมันเกิดอย่างนี้นักปฏิบัติก็สู้ตายเลยรักษาจิตเหมือนงูจงอางห่วงไข่ครูบาอาจารย์สอนมาเรางูจงอางเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันห่วงยังไงก็ไม่รู้นะเคยเห็นแต่ไก่นละ้วก็ไม่ห่วงเท่าไหร่รงความแล้วก็คือมันถนอมรักษาจิตนี่ผู้รู้มากเลยนะต่อมาปัญญามันพอนะบางคนนะัมันพอเห็นเกิดแล้วดับไปสว่างได้ก็ผองใสได้ก็เศร้ามองได้ก็ไม่ยึดบางท่านนะั้มันพลิกเป็นทุกข์ให้ดูเลยทุกข์ทุกขทุกขนะ์ เหมือนโลกระแทกจะถล่มลงมาทับเอาเหมือนภูเขาบทขยี้ลงมาบนดวงจิตนี่เองก็เห็นจิตเห็นทุกข์สุดขีดน้ำสลัดจิตทิ้งไปนะบางท่านก็เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนนั่นก็ทิ้งไปถอดกว้างทิ้งไปทิ้งไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันมีบางสิ่งเที่ยงบางสิ่งไม่เที่ยงนะไม่ใช่ทุกอย่างเที่ยงนะจิตที่ว่าจิตคงที่ถาวรนั้นอะไรที่คงที่ถาวร จิตชน no no right? right? ิดที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรย้อมได้อีกละเป็นอย่างนี้ถาวรนะไม่มีกลับมาถูกย้อมได้อีกละเพราะฉนั้นบางท่านเลยว่าจิตเที่ยงพอนานแล้วจิตเที่ยงท่านเที่ยงเพราะท่านเห็นว่ามันคงที่มันไม่ถูอะไรย้อมได้อีกแล้วมันไม่มีกิเลสเสียดแทงอีกต่อไปแล้วท่านก็เห็นว่ามันเที่ยงบางท่านนะปัญญาท่านแก่รอบอีกท่าที่มองไปอีกมุมหนึ่งท่านเห็นว่ากระทั่งจิตของพระอรหันต์นะก็ยังมีหลายชนิด มีสงมนัตบ้างเป็นจิตที่เป็นอุเบกขาบ้างเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาบ้างเรียกว่ายานสัมปยุตเป็นจิตที่ไม่ประกอบปัญญาเรียกว่ายานวิปยุตก็มีนะเพราะฉนั้นจึงมีหลายแบบอันนี้ถ้าท่านใดท่านมองมุมนี้ท่านว่าตัวนี้ไม่เที่ยงท่านใดท่านมองในมุมที่ว่ามันไม่มีความทุกข์ทาวรเลยนี่ท่านว่าตัวนี้มันเที่ยงนะเั้นเราค่อยฝึกนะถัดจากนั้นมันยังมีอีกแต่ว่าไม่สอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ไปพาวนาเอาเอง มีครูบาอาจารย์บางท่านท่านจิ้งร่องรอยไว้ให้นะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสืออันหนึ่งสมเด็จยานท่านเขียนไว้เราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าท่านภาวนาไม่ธรรมดาเลยนะท่านพูดถึงาธาตุรู้าธาตุรู้ซึ่งมันเลยไปเลยไอของไม่เที่ยงไปนะท่านพูดอันนี้ขึ้นมานะแต่ท่านพูดนิดเดียวภานะวนามีสติรู้สึกตัวรักษาศีลไว้นะใช้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว จากจากนั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะวันหนึ่งวิมุติเกิดหลุดพ้นไปมีแต่ความสุขจิตพลากออกจากขันค่อยภาวนานะแล้วค่อยไปดูว่ามันพลากจากขันได้ยังไงมันพลากได้ยังไงพลากจริงๆรนะินี่ในพระไตรปิฎกเขียนไว้นะอา้าวตรวจกันบ้านราบนมัสการค่ะคือมัน ข้างในมันรู้สึกว่ามันมีอะไรวนๆอยู่แล้วก็ก็ดูอะค่ะแต่บางครั้งมันมีเวทนาแทรกด้วยแล้วมันก็จะจะบางครั้งก็คือจะดูไปได้เฉยๆบางครั้งก็คือจะเหมือนกับมันหยุดหยุดเหมือนกับไปไปแทรกนค่ะค่ะย่รู้ทันนะสักว่ารู้ก็รู้เข้าไปแทรกแทงกก็รู้นะว่าตะมันหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแหละ เพราะว่ารู้สึกว่ามันทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปแทรกอ่ะใช่มันไม่เป็นกลางกับทุกนะให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางน ะ, ะต่อไปเมื่อวานก็ไปเดินจงกรมเพราะว่าหลวงพ่อบอกจะนั่งสมาธิแล้วมันจะง่วงเวออันนี้เดินมันก็จะมีสภาวะธรรมเกิดสองแบบ อ, อแบบแรกก็คือนับเก้ากับแบบที่สองก็คือคิดปุ้งซ่าน อ, อื นับข้าว<ม>ประฟงเหมือนกันเลย <laughs> แต่ฟุ้งแบบมีระเบียบ <laughs> วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวิหารธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อวานไปทำนะ <Okay. S 2> ไปเดินเอา <Okay. S 2> อ่ะต่อไปวันนี้รู้สึกมีสติมากกว่าเมื่อวานแต่ว่าจิตมันจะวนไป เรื่องที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานแล้วติดอยู่ก็จะขออนุญาตถามนะคะไม่แน่ใจ <S <S <S ที่หลวงพ่อเทศเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะคะที่ว่าตามองเห็นรูปแล้วเกิดผาาัสสะเสร็จแล้วจากผัสสะก็จะเกิดเวทนาแต่ว่าไตเหมือนเคยเห็นว่าพอเกิดผัสสะแล้วมันจะเกิดสัญญาก่อนแล้วค่อยเกิดเวทนาอันนี้<อ>ไม่แน่ใจมันแล้วแต่แตจ ะ, จะแจ้งให้ละเอียดแค่ไหน <จง S 2> ที่ ท, ท่า น, านแยกไป12ิบสขั้นเนี่ยท่านพูดไวปคร่าวๆนะ อาศัยสัญญาและเวทนานะหรือสัญญาหรือเวทนาก็ได้ทำให้เกิดสังขารคือความปรุงของจิตนะงั้นอย่างตอตามองเห็นใช่มมันจะต้องมีมีสัญญาเข้ามาทางานมีการให้ค่ากนว่าคืออะไรคืออะไรเสร็จแล้วตัวนีเกิดการตัดสินว่าจะดีหรือจะไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์นะอันนั้นจะขยายความด้วยเรื่องของวิธีจิตนะ <S <S <S จะลงไปละเอียดอีกเยอะเลยตรงนั้น นะเราเห็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละใช้ได้ถูกแล้วสัญญาทํางานขึ้นมาเราสัญญาทํางานแล้วก็มีการให้ค่ารู้สึกไหม ใ, ให้ค่าแล้วถึงจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมานะถูกต้องมันเลยวนไปสงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วมันถูกแล้วเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะท่านแสดงพอเหมาะพอควรเพื่อการปฏิบัติของคนคนนั้นบางทีท่านไม่ได้แสดงแจกแจงและเอียดยิบไปหมดเลยมันเกินจําเป็นไง นีบางทีเราฟังทำอันนี้แต่ว่าใจเราไปเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นได้นะถูกทั้งคู่เลยดีไปฝึกต่อนะอา้าวดอรแฮครับก็ไปเดินมาเพิ่มครับอย่างที่หลวงพ่อแนะนำ<อ>แต<ล>่ว่าจิตเป็นไงมันก็ยังทำงานของมันไปมันต้องทำงานนะจิต <laughs> ไม่ทำงานได้ยังไงอ่ะขันก็ต้องทำงาน ร่างกายก็ทํางานเห็นไหมไอทนาก็ทํางานสังขารก็ทํางานจิตก็ทํางานก็ต้องทํางานสิฟงสัน้นเขาฟงสั้นของเขาเองแล้วดร์แฮลไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะมันมันพอรู้ปุ๊บมันก็จะอดไม่ได้ไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางใช่ไหมนะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นถ้ารู้แล้วยินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันนะ ก็ตายไม้เดิมมันก็ชอบมัคิดว่าเออนี่เราภาวนาอยู่เ อ, อให้รู้ไปนะเป็นด็อกเตอร์ก็อย่างนี้แหละต้องคิดมากหน่อยเอโยมคือโยมอยู่วัดก็ปฏิบัติตามรูปแบบนะคะแล้วก็เดินจงกรมมากนะคะก็รัศดิจิตมีกําลังมีกําลังน ะ, ะถ้าจิตมีกําลังอย่างเนี้นะสติรู้กายรู้ใจได้แล้วคันเดินปัญญาได้แล้วท่นี้มีเมื่อเชา้านี้ที่โยมเดินจงกรมแล้ว มันควรจะถึงเวลาแล้วแต่กายมันไม่ยอมหยุดมันไม่อยากหยุดก็รู้ว่ามันไม่อยากหยุดแต่มันก็ยังเดินต่ออย่างนี้เป็นว่าเราไปติดภบหรือเราไปไม่เป็นไรเลยอะไรมันเป็นเรื่องดีมันดีอยู่ยังทำไปได้ก็ทําไปคไม่เป็นไรหรอกมีแต่มันชวนให้เลิกนะชวนให้ภาวนาต่อนานๆจะเกิดทีหนึ่งเชื่อมันไปก่อนไอ้ประเภทชวนให้เลิกเนี่ยเยอะไอ้ชวนให้เดินต่อนี่ไม่ค่อยมีหรอกนะ ถ้ามันเกิดมาเราก็เดินไปแต่ถ้าเดินแบบหามรุ่งหามค่ําร่างกายทนไม่ไหวอนนี้รู้เลยมากไปละไม่ดีนะเชิญยกมือเอาคนที่หนึ่งคุณอานมรัตการหลวงพ่อหลวงพ่อมันกดอยู่ตลอดเลยฮะมันกดยืนพื้นเลยฮะหาทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอมันมันกดอยู่ตอนเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรฮะหลวงพ่อมันกดอยู่ตลอดเลยอยู่ข้างน้า ก, ก็กดเหรอรกดครับอโอ้ลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อน <น>ผมก็ว่าสงสัยผมครุกวงในไปแน่คลุกวงในใช่นะฮะครุกวงในมากไปะก็มันถลําลงไปดูตลอดเลยใช่ไหมใช่ น, น, นะลืมมันไปก่อนตอนนี้ได้เวลาทําความสงบพผ่อนบ้างแล้วผมเ <นะ S 1> มื่อคืนมันนอนไม่ได้แล้วฮะหลวงพ่อจิตมันตื่นทั้งคืนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยลุกขึ้นมานั่งนั่งจิตมันก็ไหลตลอดไหลเราก็รู้แต่ว่ามันก็ไหลมันไหลไม่หยุดเลยครับมันไม่สมาธิไม่พอละนะสมาธิไม่พอเนี่ยต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันก่อน นะชอบอ่านหนังสือบ้างไหมหนังสือธรรมะหนังสืออะไรเงี้ยชอบครับนะอ่านก่อนตอนนี้ลืมเรื่องปฏิบัติไปอ่านหนังสือสมมุติอ่านพนะระสูตรแล้วมีความสุขใจสงบนะแช่มชื่นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอ่านไปแล้วจิตใจมันสงบขึ้มานะแล้วค่อยมาภาวนาต่อหลวงพ่อเป็นเพราะว่างานทั้งโลกด้วยหรือเปล่าครับเป็นงานเยอะมากเลยครับได้เป็นไปได้นะดีแล้วล่ะมีงานทํา <laughs> 75้า อยู่ข้างหลังโน้นนรรส ก, การค่ะหลวงพ่อเออไม่ทราบว่าตอนนี้หนูพอจะรู้ตัวถูกแล้วก็มีสติตัวจริงหรือยังแล้วหนูรู้อะไรบ้างน่ะก็เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสชัดเจนขึ้นค่ะออแล้วก็อย่างนั้นแหดีแทกแซงน้อยลงค่ะก็ดีแทรกแซงน้อยเนี่ยเพราะไปบังคับไห้หรือเปล่าอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหลวงพอ่อไม่แน่ใจไปหัดดู แต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะตึงๆตอนที่พอจะเห็นนะคะเออนั่นแหละแสดงว่าแทรกแสงแทรกแสงนะใช่ไหมคะถ้าใจเราตึงๆเนะีแสดงว่าแทรกแสงนี่เรียนหลักเอาไว้น ะ, ะเวลาไม่เจอหลวงพ่ออยู่บ้านอะไรเงี้ยไ ด, ได้ช่วยตัวเองรู้หลักไว้ยังงั้นคือถ้าเกิดพอมันตึงๆก็ให้รู้ว่าเรากําลังบังคับอยู่ยใช่ใ ช, ใช่เป็นเครื่องชี้วัดเลย แล้วตอนนี้การปฏิบัติของหนูเป็นไงบ้างคะห่อหนูภาวนาไปเรื่อยๆนะอย่ารีบร้อนนะค่ะภาวนาให้มันมีความสุขค่ะตอนตอนหนูได้ไปภาวนาที่วัดป่าค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วเห็นความกลัวกับความขี้ขาดเยอะมากเลยค่ะดีดถ้าเงินไปอีกแต่ว่าหนูจะเห็นว่าว่ามันจะแบบขึ้นแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแต่มันไม่ขาดค่ะหลวงพ่อน่าดูไม่เป็นกลางนะค่ะใจยังอยากให้หาย เพราะมันกลัวมันอยู่แทบในกุ่ไม่ไหวเลยกลัวอะไรกลัวผีเลออืมันบางคนมันกลัวมากนะอยู่ในกุ่นก็กลัวผีเอามาข้างนอกก็กลัวงูอะไรเงี้ยคเลยไม่รู้อยู่ไหนไปนั่งหลังคาค่ะกันก็ถ้าหนูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดอ่อนมากเลยที่ทำมาคนเกิดไหมจิตขนาดนี้กะตะกี้เหมือนกันหรือเปล่าอืมแตกต่างนิดหน่อยใช่ไหมครู้ตัวไปอย่างนั้นแหละ ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อไม่ใช่เพลงอย่างตะกี้นะค่ะรู้สึกตัวเบอร์43น้ำมาสการค่ะหลวงพ่อโยมมาจากจังหวัดยะลานะคะอืที่มาก็เพราะจิตสั่งให้มาค่ะโอดี <c oughs> ไม่ใช่พอดีคืนวันศุกร์อะค่ะนอนแล้วก็พอตื่นประมาณตีห้าค่ะก็อนอนทําสมาธิจิตก็บอกว่าไปส่วนสันติธรรมไปส่วนสันติธรรม <laughs> ก็เลยรีบรี บ, รบมาจากชะลาเลยอะคะอ่ะมาถึงเมื่อวานนะคะดีก็คือไม่ทํางานอยู่ที่เดียวกับหลวงพ่อองค์การโทรศัพท์แต่แต่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อค่ะเพิ่งรู้จักในเว็บเมื่อปีปีที่แล้วลนี่เองอะคะ่ะก็าอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะเคยปฏิบัติยุบหนอพองหนอมาพอมาเจอเว็บของหลวงพ่อก็คือ ก็พยายามมา ป, ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อค่ะแต่ว่ามันมันเหมือนว่า ม, มันชอบหาะค่ะชอบอะไรนะหเหาเวลาเวลานอนนะคะเวลาปฏิบัติตอนนอนแล้วมันชอบหาะค่ะกายกายอีกกายหนึ่งมันมันจะออกไปหาะประจําเลย อ, อ๋อไปหาะหาะออกไปข้างนอกะกายมันจะออกเคลื่อน อ, ออกไปแล้วก็ไปไปหาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหาะไปยกมือแล้วก็มันมันจะมีคล้ายๆ มีมีควันออกจากมือเหมือนออกไปรักษาคนอะไรแบบนี้นะคะมันจะหนักไปทางนี้เยอะค่ะก็ยังดีไม่ใช่ปล่อยแสงระเบิดเปลี่ยงนียจะจะหลายเยอะแล้วค่ะม ก็แล้วเวลาเวลานอนบางครั้งมันมันเหมือนเหมือนไม่หลับเลยค่ะมันจะตื่นทั้งคืนเลยค่ะจะรู้ตลอดเลยค่ะเพี็กซ้ายเพล็ขวาจะรู้ทั้งคืนถ้าหลับไปก็คือห่อเลยค่ะไม่ทราบ <laughs> ว่าต้องปรับยังไงบ้างอะคะคอรู้ทันจิตเลยนะจิตเนี่ยมันมีพื้นของความฟุ้งอยู่พอมันรวมลงนิดหน่อยมันก็ถอดออกไปเที่ยวจิตมันฟุ้งซ่านนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพยายามรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อย อาจจะขยับไม้ขยับมือเนี้ยรู้สึกตัวไปเรื่อยเลยหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อมีพัดนะหลวงพ่อขยับตัวไปเรื่อยแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วรู้สึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นสมาธิมันล้ำหน้านะเพิ่มสติเพิ่มเพิ่มความรู้สึกในกายในใจขึ้นสมาธิล้ำหน้าไปถ้าสมาธิล้ำหน้านัมันแสดงปฏิหารเหอะได้ปล่อยควันก็ได้อความจริงเปล่งแสงก็ได้นะดีนะฝึกเอาฝึกรู้สึกตัวให้เยอะขึ้น พยายามรู้สึกตัวใช่ไหมคะใช่รู้สึกกายรู้สึกใจคือคือตอนกลางวันอะไรตอนที่เรารู้สึกตัวก็ไม่มีปัญหาค่ะไแต่ว่ามันจะเป็นตอนนอนมันมีปัญหาตั้งแต่กลางวันละใจเราฟุ้งยืนพื้นอยู่เลยค่ะก็คืองานเยอะด้วยค่ะแต่ว่าจะเปิดเว็บหลวงพ่อฟังไปด้วยอะไรอย่างนี้พยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนะจำไหมนะจําได้ไหมจําได้จ้าค่ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกทําตัวนี้ให้มากขึ้นแล้วกลางคืนมันจะไม่ออกไปเหาะเล่น จ้หนะลวงพ่อตอนเด็กๆก็ไปเล่นเหมือนกันนะนั่งหายใจเพื่เดียวปิดเล่ น, นะลนแล้ววันหนึ่งเกิดกลัวเฮ้ยถ้าวิ่งไปเจอผีเขาจะทำไง <c oughs> โอ้เราคิดรอบครอบนะเจอผีเราสู้มันไม่ได้ทางที่ดีเราต้องรู้สึกตัวไว้ไม่ให้ออกไปนอกกายนะเด็กค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็นี่เมลมาถามเอาหนีไปแล้วอาจารย์สุรวัตหายไปไหนอาจารย์สุรวัตหมอนักอะไรนะนะเจ็กค่ะ 47กสิบเจกรรักษาการพระอาจารย์ยืดตัวไหน่อย ก, การรักากเห็นหน้ากันชัดๆก็คือเคยอ่านอ่านหนังสือ ข, ข, ข, ข, ข, ของพระอาจารย์นะครับแล้วก็เคยพยายามที่จะเคยลองพยายามลองปจปฏิบัติให้มีสติในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าอตอนที่ทำมันเหมือนกับพยายามเยอะแล้วก็เหมือนติดเพลงค่ะๆอย่างนี้ครับทําให้ช่วงที่รู้เหมือนกับรู้ตัวมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับ ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือว่าเป็นคิดนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าเป็นรู้ถูกหรือยังหรือว่าเป็นการคิดนะคระแล้วก็ทีนี้พอพ อ, อคือพอพยายามทําไปก็รู้สึกว่าคงจะติดเพลงแล้วเพราะมันรู้สึกเกรง็งเกร็งในเนืน้อะครับแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าไม่ทําก็จะหลุดก็จะหลุดไปเลยครับหลุดไปนานๆเถือไปนานๆก็คือถ้าเกิด ตานหลังก็คือว่าไปอ่านเจอบอกว่าเขาก็เขาบอกว่าให้ให้ทําตัวไปตามปกติแล้วก็รอดูว่าเผลอตอนไหนก็ให้รอดูว่าเผลอบ่อยๆตอนนันครับแต่ว่าตอนที่กลับมาดูเผลอก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือยังหรือว่าคือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วบางทีก็รู้สึกว่าอาจจะยง่าง่ายๆสินะอย่าไปกังวลของคุณกังวลมากไปนะคอยรู้ทันใจของเราเท่านั้นแหละกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอานะอย่างใจฟุ้งซ่านไปแอบไปคิดแล้วเราก็รู้ทัน ใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายอะไรนี่คอยรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆทําตัวแค่เป็นคนตามรู้นะไม่ต้องไปดักไว้ดักไวเ้เดี๋ยวจะเครียดนะทําตัวสบายๆคุณรู้สึกไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะคนทั่วๆไปเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนอยู่ทั้งวันเป็นปกติแต่ว่าเขาไม่สามารถเจริญสติได้เพราะเขาไม่รู้เราต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวก็คือจิตใจเราเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ต่างกับคนทั่วไปตัวที่เราตามรู้จิตเราสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้ฝึกเล่นๆไปนะ่ะนะฝึกยังมีความสุขนะผ่อนคลายดูไปความเปลี่ยนแปลงมีทั้งวันเละพอไหวไหมแบบนี้นะไปลองทํานะไม่ยากนักหรอกร้อนู่นอยู่ข้างหลังอย่างเราพานาไปแล้วมันก็สงสัยขึ้นมานะ สงสัยว่าอันนี้รู้ถูกหรือว่าคิดเอาเองน้าอะไรเงี้ยเราก็รู้ลงปัจจุบันอีกหรือว่าจิตกําลังสงสัยอยู่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบันลูกเดียวไม่พลาดหรอกอ้าวเชิญรครับนมรสการครับรายงานการปฏิบัติครับช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กำหนดเวลาการปฏิบัติตามรูปแบบนะครับแต่ว่าในช่วงเดินไปไหน เดินไปซื้อของทํางานบ้านก็พยายามมีสติครับก็ก็รู้สึกว่าสติเกิดบ่อยขึ้นครับบางบางครั้งก็รู้สึกว่าตั้งมั่นนะเช่นมีความคิดขึ้นมาพอรู้ว่าคิดมันก็มันก็ขาดไปแต่ว่าแต่ว่าบ่อยครั้งก็รู้สึกเป็นคลุกอคลุกกับกิเลสนะฮะจิตถ้าไปคลุกก็รู้ทันว่าคลุกนะจิตแยกออกมาก็รู้ว่าแยกแต่ว่าระหว่างที่ไปคลุกอยู่ด้วยบางทีมันก็มีวิภากวิจารเหมือนกับ โทษตัวเองดุตัวเองอะไรว่าตัวเองก็เยอะครัในระหว่างเดี๋ยวไปว่ามันรู้มันไปได้สงสารนันอย่าไปว่ามันอบางทีก็รู้สึกว่าบางทีก็สงสารมันแล้วว่าว่ามันอยู่ได้ไม่ยอมเลิกสักทีเออนะให้รู้ทันใจของเราใจเรามีโทสะแทรกนะให้รู้ลงไปเลยใจมีโทสะแล้วไม่ชอบอย่างเงี้ยให้รู้ทันลงไปซะโทสะดับไปใจก็เป็นกลางครับเพื่อจ็ดสิบสระว่าไงอนีรถึงครับแล้วก็ มีบางครั้งมันก็เบื่อมันก็รู้สึกแต่มันยังเท่าที่สังเกตดูมันก็ยังเป็นเบื่อๆหยาบๆอยูอย่ครับธรรมดานะภาวนาให้มากๆเดี๋ยวจะเบื่อๆ เคยได้ยินไหมหนูพ่อสอนไหมว่าทำยังไงส่วนมือก็ไม่ได้อีกค่ะเดียวแล้วมันก็ฟุ้งกระจายแบบทำอะไรได้บ้างอ่ะหนูก็หายใจด้วยนะคะพยายังหายใจไว้ก็ได้ใหญ่ใหญ่นะหายใจแป๊บีทราบได้แป๊บเดียวค่ะหนูก็เลยมาขอเวลาที่มันฟุ้งมากๆบางทีเราต้องช่วยมันนิดนึงนะอย่างเราหายใจอย่างเดียวไม่พอก็บริกรรมเพิ่มเข้าไปพุทโธพุทโธหรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธให้มันเร็วขึ้น หรือมันฟุ้งมากก็พุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรเงี้ยะใจมันจะค่อยสงบลงมาไปฝึกหนะ้าฝึกบริกรรมไว้บริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยสงบขึ้นมาเลขเจ็ดสิบเจ็ดนมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งกันบ้านในรอบอแปดเดือนครับขออนุญาตส่งกันมารอบแปดเดือนครับวันนี้มีโมหะครับือเราก็ช่วงแปดเดือนที่ผ่านมานะครับออก็ ก็จะมีเพิบก็จะมีเพ่งบ้างนะครับแล้วก็จะมีหลงบ้างนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมแปดเดือนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเอ่อเท่าที่เห็นคือจะเป็นกลางมากขึ้นครับแต่เท่าที่สังเกตคือว่าจิตมันอยู่ไอยู่นอกๆครับบางทีใชะไม่เข้าถึงฐานให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวสําคัญเลยถ้าออกข้างนอกนี่ปัญญาไม่เกิดจริงอ่ะครับและบางทีสบายอย่างเดียวครับแล้วบางทีสังเกตว่ามันไปติดนิ่งด้วยเหมือนกันนะฮะนะให้รู้ทันว่าจิตหลงออกไปละ ไปติดนิ่งติดว่างนะถ้าเวลามันไปหลงอยู่อย่างนั้นมากๆเนี่ยกลับมาดูกายไวใช่ไหมเราไปอยู่ตรงนั้นมีแต่ความสุขความสบายพอมาดูกายเห็นแต่ความทุกข์กายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะดูกายให้มากขึ้นหน่อยคแล้วที่สังเกตคือเวลาใจหลงไปนะครับก็โทสะกโมเวลามีโมหาโะครับโทสะกับโลภะมันจะแทรกง่ายถูกต้องแล้ว โทสะโลภะเนี่ยจะเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะถูกต้องแล้วที่เห็นหลวงพ่อครับมีที่คือหลวงพ่อเคยเทศว่าสติเนี่ยจะช่วยเราในยำขับขันนะคบไม่รู้ผมเห็นถูกหรือเปล่าเมื่อคืนหนึ่งนะครับไปภา ว, วนาที่บุญยญวานะคบแล้วก็นอนไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ฝันว่าญาติคนที่โกงเงินเราอะนะครับเขา เขากลับมาโกงอีกนะครแล้วเขาก็มาขอส่วนส่วนสิ่งที่เขาอยากได้เพิ่มขึ้นเี่ฮ ะ, แ ล, ะแล้วก็เราก็ให้ไปให้ไปจนถึงมันมันจนถึงว่าเขาเขาล้ําเส้นนะฮะสิ่งที่ผมไม่อยากให้แล้วมันก็เลยไม่รู้ปืนมาจากไหนผมก็เลยคว้าปืนจะมายิงเขานิสติมันก็เลยบอกว่านี่คือปาณาติบาตก็เลยตื่นขึ้นมาเออทีแต่พอตื่นขึ้นมานี่มันก็วิบากมันเยอะมันก็ฟุ้งซ่านเยอะมากแล้วครับปกติแล้วล่ะ เวลาเราฝึกเจริญสติมากๆนะแล้วเวลาฝันเกิดอกุศลที่แรงๆนะหรือเกิดอะไรน่ากลัวนะบางทีสติทํางานได้อย่างบางคนเวลาจะตายนะฝันเห็นกระทะทองแดงสมมติอย่างนี้ใจกลัวขึ้นมานะสติะระลึกปับ๊บเห็นความกลัวแนะล้วความกลัวดับเลยนะกระทาหายไปเลยนะดีฝึกไปทุกคนทํำอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่นาคไจครับแปดสบสอง การะมัสการครับหลวงพ่อก็ผมหัดเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อสอนมาได้เกือบปีแล้วอะครับไม่เคยถามหลวงพ่อเลยว่าที่รู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานหรือเปล่าครับแล้วว่าถึงไหมคิดว่าถึงครับเพราะาเห็นมันเกิดกับไปเรื่อยเีใช่ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่มคือผมปฏิบัติในรูปแบบ มากขึ้นจนไม่มั่นใจว่าตัวเองพอใจในความสงบหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยจะลงมานั่งสมาธิครับพอดีแล้วนี่แต่ว่าบางครั้งมันมันจิตมันมันดิ่งลงไปเรื่อยๆครับพอดิ่งลงไปโรคความคิดมันเหมือนกับจมลงไปแต่ว่ามันก็จะมีไก่ข้างบ้านขันนะครับพอขันปุ๊บพอมันมีการกระทบทั้งหูนะครับจิตมันจะดับตรงตรงที่คิดตรงนั้นแล้วก็มาเกิดที่หูและะ้วสปาร์ต<อ>ิก็จะแปลมาเป็นเสียงว่าเอ้ยนี่มันเป็นเสียงของไก่นะถูกต้องแล้วพอนาดีครับ ทำอีกนะครับคือไปเรยครับคือก็จะเห็นมันดับอย่างเงี้ยบ่อยครับแล้ว อ, อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ตอนนอนอยู่ครับก็จะหัดดูจิตไปเรื่อยอครับหลวงพอ่อแล้วทีนี้พอดูไปดูมามันก็เผอครับเพอเผลอหลงไปก็มีสติรู้ขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือนึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยทาไมมันหลงไปอีกแล้วอะไรเงี้ยครับจิตมันก็สอนขึ้นมาเองว่าก็ฉันบังคับไม่ได้ใช่ ผมก็เพิ่งจะเห็นว่าอ๋อมันมาขับไม่ได้แบบนี้นี่เองเลยนีครับนั่นแหละตัวปัญญามันเกิดแล้วเวลาปัญญาเกิดแล้วมันสอนธรรมะเราได้นะครับแล้วบางทีมันสอนเด็ดขาดแบบนั้นอีมันสร้างภาพขึ้นมาเลยเช่นสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรือสร้างครูบาอาจารย์มานะมาเทศให้เราฟังได้ด้วยนะเนี่ยจิตมันทําได้ขนาดนั้นครับครับแล้วก็ผมก็พอจเจริญสติไปเรื่อยครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับหลวงพ่อคือ เวลามันมันไปรู้สึกตัวครับหลวงพ่อเวลารู้สึกถึงการหายใจเข้าวหายใจออกอย่างเงี้ยครับไอช่วงที่จะสุดของลมหายใจในแต่ละครั้งเนี่ยครับมันจะมีความเค้นขึ้นมาจากในตัวครับว่าเฮ้ยมันมันทีแรกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือการบีบท่างชนิดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรคือมันเป็นทุกลมหายใจเล ย, เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยมามองเพ่ง อาจจะเพ่งลงไปด้วยมังครับก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันเป็นการบีบเค้นความทุกข์ที่ร่างกายต้องเปลี่ยนเห็นไหมหายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกเข้าไปสุดก็ทุกมันต้องรีบออกมาพอออกไปสุดมันก็ทุกอีกครับรู้แล้วใช่ไหมเราหายใจออกก็เพื่อหนีทุกหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกนะครับดีดูไปเรยใช้ได้เฉลียวพรนะก็หลวงหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับจิตขณะนี้ปกติไหมไม่ปกติแต่ใช้ได้สอบผ่านเก้เออหลวงพ่อครับ ปีนี้คล้ายวันเกิดของผมครับไม่มี29กุมภาพันธ์อยากให้หลวงพ่อให้พรหน่อยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่28กุมภาพันธ์ครับเดี๋ยว29ให้มาขอสิขอบพระคุณครับ96คนที่เกิด29กุมภาพันธ์นี่ขาดทุนนะได้ของขวัญ น, น้อยกว่าคนอื <c> ่น <oughs> บางทีเราภาวนานะมันก็เกิดฝันไปก็ได้นะที่เป็นนิมิตก็ได้ นิมิตมันก็เป็นฝันอย่างหนึ่งฝันก็เป็นเขาเรียกสุบินนิมิตบางทกีก็รู้ร่วงหน้าได้นะหลวงพ่อก็เคยฝันเหมือนกันนะตอนนั้นหัดแต่ทําสมถะแล้วก็ฝันไปวันหนึ่งฝันไปเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งนะพรอมๆ อ, องค์เล็กๆนะพร้อมๆท่านเดินมาหาเราแทนที่เราอยากไปหาท่านนะพาท่านมาหาเรานะแล้วยื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกขนาดเนี้ยคงไม่ใช่แอปเปิลอะไม่รู้ลูกอะไรนะ เราก็รับไว้นะท่านก็บอกว่าผลไม้นี่นะจะเปรี้ยวหรือจะหวานเนี่ยมันมาจากภายในของมันงั้นะเรียนรู้เข้ามาในภายในนะสอนคานองเนี้ยอย่างที่จิตนี่ผ่านมาอีกเป็นเดือนเดือนนะไปเจอพระองคนี้เข้าจริงนะคื <c oughs> อหลวงปูด่ดุล <c oughs> เดี๋ยวหาว่าเราเล่าเรื่องปาฏิหาริย์อีก ไม่ปฏิหารนี่เรื่องฝันบอกไปแล้วอ้าว96เอาหมอม่อนนี่เองครับช่วงนี้จิตใจมันค่อนแห้งๆไปครับหลวงพ่อคือภาวนามันเหมือนมันเห็นกิเลสเยอะแล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันดีดีดีภาวนาให้มันแห้งอย่างนั้นแหะถูกแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมือนไม้แห้งไงไม้แห้งติดไฟง่ายคือช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองมันแย่ลงเห็นกิเลสแบบมากๆแล้วดีสติปัญญานี่ยมันแผดเผากิเลสนะใจก็แห้งเลยดี ถ้าใจเหมือนไม้เปียกน้ําและไม้แช่น้ําไม้สดแช่น้ำเนี่ยไม่ควรเกี่ยวกับการเอามาจุดไฟไม้แห้งเนี่ยจุดไฟติดง่ายคือคือพอมาอย่างนี้แล้วเราก็พยายามหาวิธีแบบว่าอย่างเช่นพระจะไปอ่านหนังสือธรรมะอย่างเงี้ยมันมันก็ปฏิเสธหมดแล้วอ่านนั่นแหละทนเอาเพราเราภาวนาแบบที่เรียกว่าแห้งแหลงเรียกว่าสุขวิปัสสกะเดินสายแห้งแหลงนะเดินไปต้องทําสมถะหรืออะไรเพิ่มไหมทำจิตแต่ทำมันก็ไม่หายแห้งง่าย เวอร์สีสิหดีแล้วหมอม่อนสี่สบหลบควรเรียนถามสองข้อคะ่ะข้อแรกยังกดอยู่ปร ะ, ประมาณส0ซนคะ่ะถูกหรือเปล่าคะตอนนี้เกินตอนนี้ตื่นเต้นเออถูกต้องละข้อที่สองคือเมื่อก่อนจะเห็นจิตแยกจากกายเฉพาะตอนอาบน้ำเวลาเช้าแต่ระยะหลังมันแยกได้บ่อยกว่านั้นนะคะ <c oughs> ถูกต้องหรือเปล่าถูกสิขอบคุณค่ะชาบจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราไปแยกทั้งวันเลยทั้งๆ ท, ที่มันยังกดอยู่อย่างนี้หรอคะกดๆนี้ก็แยกได้ค่ะนะแต่ว่าถ้ากดไปแล้วมันจะนิ่งเกินไปโดยเฉพาะในทางใจนะจะไม่ค่อยมีการทำงานดนะังนั้นต้องค่อยๆปล่อยพอเราปล่อยเนยีทางใจมันจะทํางานอุตรุดเลยลค่อยมีสติตามดูแล้วก็เห็นอีกกิเลสก็แยกออกไปนะแยกเหมือนที่ร่างกายแยกออกไปกิเลสก็แยกออกไป นะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอีกคนะให้ฝึกไปแล้วมันขันแต่ละขันจะค่อยกระจายแยกออกไปแล้วแต่ละขันก็ทําหน้าที่ของมันแต่ละขันไม่มีตัวเราข้้ากราบคุขอคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเติมค่ะสบายสบายขอบคุ ณ, ค, ณ, ค, ณค่ะฟังคล้ายๆร้องเพลงสบายๆร้อเจดสิบอ๋อจุความตึกเต้นอยู่่เจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ แล้วก็พอจุดที่ไปอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มีความสุขค่ะเจ้าค่ะมันก็ไปอินอยู่กับความเศร้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็มันไม่มีกําลังที่ที่อยู่จุดที่อยู่หม่ยถึงอะไรข้างในนี้หรือที่ที่เลือกสถานที่ที่เลือกไปอ่ะเจ้าค่ะจะบอกให้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าความทุกข์มันอยู่กับตัวเราเองนะไม่ว่าจูจะย้ายไปอยู่ตัวไหนความทุกข์ก็จะตามไป แล้วตอนนี้มันก็มันเหมือนมันเริ่มเห็นว่าจุดที่จะเลือกใหม่มันก็กลัวใช่ไหมก็เลยจะกลับไปสู้อีกตั้งหนึ่งที่ไหนก็ทุกเหมือนกันนะเราไม่ต้องไป ก, กังวลมากหรอก <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะที่ทุกมากมากเข้าใจเรานี่เองใจเราปฏิเสธสิ่งแวดล้อม <c oughs> เราไม่อยากได้อย่างนี้เราก็ทุกสิ <c oughs> ถ้าเรารู้ทันเนี่ยโอ้ความทุกมาเกิดขึ้นในใจเราเนี่เพราะใจเราไม่เป็นกลางนะมีว <c oughs> ิภวตัณหาเกิดขึ้นไม่ชอบ เป็นตันหามีตันหาก็ต้องมีทุกข์แหละจุก็เลยนับหนึ่งใหม่พอดีมอนัา บ, บอกให้กระตุ้นความรู้สึกตัวก็เลยเริ่มพยายามที่จะกลับมาทำก็เลยมากับขอคำแนะนำหลวงพ่อนั่นแหละเขาก็แนะถูกแล้วนะรู้สึกตัวไปรู้สึกบ่อยๆเบอร์แปดสิบกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกรามาถึงตอนนี้นะคะ เป็นเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดค่ะอืมก็ดีแล้วล่ะภาวนาไปเราต้องทดสอบตัวเองนะเวลามีปัญหาเราภาวนาได้ไหมหรือล้มลุกลุกลานถ้าล้มลุกลุกลานก็แสดงว่ายังไม่พอฝึกอีกนะฝึกไปตั้งแต่นั้นไปรู้สึกภาวนาดีขึ้นตลอดดีขึ้นเวลาที่เราผ่านปัญหาใหญ่ๆในชีวิตนะทุกครั้งที่เราผ่านปัญหาใหญ่ๆในชีวิตมาได้เราจะเติบโตขึ้น หลวงพ่อดูหลวงพ่อสิผ่านปัญหามามากโต ว, วันโตคืนอา้าเบอร์แปดสิบปดกราบนมัสการข้าหลวงพ่อมึงส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อแปดเดือนที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อวอกิตเพลงค่ะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ก็บแปดเดือนเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะนะดีแล้วนี่ภอวนาไปอย่างนี้แหละ <c oughs> เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไป ทุกเคยเยอะก็ตอนนี้ก็ลดลงเยอะเลยนั่นแหละอย่าเอาแต่ความสุขนะเอาแต่ความสุขไม่ได้นะเ้าเรียกว่าประมาทไปพยายามดูไปทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรากระทั่งความสุขก็ไม่คงที่อย่าเรามีความสุขก็จริงนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้นะอดทนหน่อยเพื่อเราจะได้ของดีที่เหนือความสุขความทุกข์ไปอีกเบอร์สี่สิบ48ดกราบน้ำมันสกัดครับก็ส่งกันบ้านในรอบแปดเดือนเช่นกันครับ ก็จากการภาวนาสังเกตความก้าวหน้าของตัวเองก็คือรู้ว่าหลงคิดเยอะมากครับนาทีหนึ่งหลาย10ครั้งครับนาทีหนึ่งหลาย10ครั้งเก่งครับนอกจากช่วงเวลาที่ทำงานครับก็จะไม่ค่อยดูก็ครั้งเดียวช่วงเวลาที่ทำงานครับแล้วบางครั้งเห็นโทสะที่มันไม่แรงมากก็ผมคิดพางทีนึกนึกขำๆโทสะนั้นนะรเออดีครับ ก็ อ, อยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อท า, า, านภาวนาดีแล้วนี่สติเกิดบ่อยอถัดจากนั้นก็รู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางเรืไปนะยินดีให้รู้ทันยินไร้ให้รู้ทันแล้วมันเป็นกลางเองครับหลดีต า, า, าวานานได้ดีครับหมวงเบอร์ห้าสิบสอง <Be 52. S 3> อยากคุยคะ่ะหลวงพ่อ อ, อะไรนะเห็นจิตที่อยากส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะว่าตอนนี้อยากถามว่าเหมือนตัวเองรู้สึกว่าถอยหลังหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเพรรู้สึกประคองแล้วก็ปอก็รู้สิ ทำไมต้องบอกว่าถอยหลังถอยหลังก็เพราไปคิดเปรียบเทียบกับตอนเดินหน้าแล้วก็รู้สึกเลยรู้สึกเท่าที่ผ่านมาค่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเห็นความกลัวของตัวเองมีค่อนข้างเยอะค่ะหลวงพ่อเห็นถึงความรักตัวเองแล้วมันก็จะฟุ้งซ่างไปเยอะเลยค่ะดีแล้วล่ะ <c oughs> ทําในรูปแบบไปไหมหนูเคยทําในรูปแบบครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อคือไปเดินจงกรมแล้วทีนี้เนี่ยเดินจงกรมมารู้สึกว่า มันมันจะซึมซึมไปเลยค่ะ <Ừ. S 1> แต่เวลามานั่งสมาธิเราจะรู้สึกดีกว่าค่ะเองก็นั่งเน<อ>่ยนั่งสมาธิ<อ>ใช่ไหมส๊อตในเรานั่งให้ดูซิอย่าน้อนไปให้นะให้เบลอนะรู้สึกตัวให้ชัดกว่านั้นนิดหนึงหายใจแรงขึ้นนิดนึ่งรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้นะจิตดิ่งเข้าไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้ดูเขาเล่นเล่นไปพอรู้ทันเท้ามากต่อไปเขาไม่ไปไหนอ่ะ เขาก็รวมสงบลงด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่น้อมน้อมเคลิมอย่างนั้นเรียกสลบไม่เรียกสงบนะแล้วบางครั้งเหมือนไปไม่พอใจเขาอะค่ะว่าเหมือนไปเพ่งแล้วก็รู้สึกแบบเกิดขึ้นมาเ อ, อเอาเกิดอีกแล้วไม่พอใจไม่พอใจรู้ท<จ>ันเอานะว่าไม่พอใจแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพอ่อทําบ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นแล้วลนะ่ะตอนนี้โอเคแล้วนะคะ เ, เบอร์หกสิบอยู่ไหนหกสอยู่ทางนี้ ใครใจลอยบ้างนี่บางคนลอยจนไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อถามอะไรการนมัสการครับหลวงพ่อครับผมได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณปีหนึ่งเดือนมาแล้วครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ติดเพลงแล้วก็คลายแล้วก็จนปัจจุบันนี้เข้าใจ มากขึ้นเื่อยมเห็นไหมพอเราไม่เพ่งนะสภาวะมันเกิดดับให้ดูได้ใช่ครับนี่แหละคือเดินตัญญาครับนะถ้าเพ่งอยู่ไม่เกิดปัญญาครับแต่ถ้าไม่มีความสงบเลยเราก็เห็นสภาวะเกิดดับไม่ได้เหมนั่นความสงบเพื่อจำเป็นครับแค่สองวันจิตมันก็เดินปัญญาให้ดูที่มากราบหลวงพ่อก็เห็นแล้วว่าจิตไม่ใช่เราจริงจรเห็นชัดเจนเลยหลวงพ่อดีนะแล้วก็เมื่อ6เดือนที่แล้วหลวงพ่อส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูอริยบทก็จะเห็นจิตเอง ก็ตอนนี้เห็นจิตสติไวขึ้นครับเห็นเห็นกายเห็นจิตมันเคลื่อนไหวได้เห็นไม่ไม่ได้อันเดียวนะใช่ครับผมเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตแต่ทุกอันแสดงไตรลักษณ์นี่แหละการทํำวิปัสสนาจริงๆเขาทากันอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นนั่งจ้องอะไรไว้อันหนึ่งแล้วก็บอกวิปัสสนาครับผมแค่แค่จิตคิดนี่ก็เป็นทุกข์ละแค่คิดว่าจะส่งกันบ้านหลวงพ่อกันยังเป็นทุกข์เลยครหลวงพ่อดีครับผมกับกับมรสัยครับหลวงพ่อโนานะภานาได้ดี ร้อี่สิเหนูก็พยายามรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันทำน้อยไปหรือเปล่าก็เลยพยายามทำรูปแบบคือถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าไม่ได้ไปบังคับมันนะคะแต่ถ้าบางครั้งก็ดูเฉยๆก็บริกรรมไปด้วย แต่ดูพอดูได้สักพักบางทีก็รู้สึกสงบบางทีก็ง่วงไปเลยพอง่วงไปปุ๊บก็ขยับไม้ขยับมือแบบหลวงพ่อเทียน อ, อแล้วก็เดินจงกรมด้วยแล้วพอระยะหลังบางทีก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราในรูปแบบเราเราควรจะรู้ลมหายใจหรือว่าเราควรจะขยับมือดีนะแบบเริ่มก็ดูเอาสิทำอันไหนแล้วสติเกิดเอาอันนั้นแหละถ้าเอาหลายอย่างนะมันจะฟุ้งง่ายใช่ค่ะเอาน้อย แล้วอะไรเหมาะกับหนูล่ะคะไปดูเอาซิจะสังเกตเอานะช่วยตัวเองให้เยอะขึ้นแล้วเราจะได้เดินไปได้อย่างองอาจกล้าหาญนะสังเกตเอาเราจะหายใจแล้วรู้สึกตัวหรือเราจะขยับมือแล้วรู้สึกตัวหรือจะเดินจงกลมแล้วรู้สึกตัวอันไหนดีกว่ากันอันไหนรู้สึกได้บ่อยเอาอันนั้นแหละนะเอร้อยสิบขอบคุณสังเกตเองไงคะหลวงพ่อใช่สังเกตตัวเอง การสังเกตตัวเองนะเรียกว่ามีโยนิโสมนาสิกานนะต้องฝึกตัวนี้นะโยนิโสมนาสิกานี้เป็นความช่างสังเกตรู้ว่าไหนถูกอะไรผิดอ่ะค่อยๆสังเกตเอาเราที่ปฏิบัติอยู่พอไปได้ไหมคะได้สิทำไปเรื่อยนะระวังอันเดียวอย่าให้ฟุ้งเยอะนะ <ST. S 2> มีปัญหาของคุณก็คือมันฟุ้งใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะเพราะงั้ น, น่ะบริกรรมไปหายใจไปบริกรรมไปนะไม่ได้ทาไปเพื่อให้จิตสงบนะ จะทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยจะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ต่อไปมันจะสงบกว่านี้พระสงบกว่านี้แล้วมันจะภาวนาได้ดีกว่านะดีกว่าปัจจุบันเอาเบอร์ร้อยสิบเก้าเชิญยืดยืดหน่อยออนักมาส ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อตอนนี้นี่เห็นเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งไวมากนะคะ <c oughs> ดี แล้วก็ครั้งก่อนนั้นหลวงพ่อบอกว่ายังดุไม่ค่อยเป็นกลางอตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะดีไหมก็ยังมีอยู่พอสมควรค่ะรู้ทันนะก็ดีแล้วค่ ะ, อ, ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลวงพ่อเรื่องอัตตาเนี่ยค่ะเรื่องอะไรนะอัตตานะคะ ม, มันจะเห็นว่ามันพองขึ้นเล็กน้อยมันไม่ยุบนะคะแล้วก็เหมือนมันจะแตก แต่มันไม่แตกพอเสร็จแล้วมันก็เหมือนลูกโป่งอะค่ะมันก็ฟี่ลงมาเออนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันะนะแต่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนมันหญิงยะโศขึ้นทุกวันดีที่เราเห็นน ะ, ะเมื่อก่อนมันหญิงยะโศแต่เราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นแล้วต่อไปเราจะไม่เป็นธาตมันค่ะนะเบอร้อยสิบขคุณร้ออ้าวตึกมาด้วยเหรอตึกเนี่ยคนต้นต่อทําเว็บวิมุตนะิอะ อยู่ไหนร<น>้อยสิบหมอแดงป่อ<ค>ะอ๋อ้วว่าไปเกือบสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านบอกว่าให้ภาวนาโดยไม่ให้อยาอยากอย่าจงใจอะคะ่ะหนูทำไม่ได้ะคะ่ะ แ, แล้วทำอะไรได้บ้างหนูก็ดันทุลังภาวนาไปเรื่อยๆเลยคะ่ะดันทุลังอย่างเนี้ยยังดี <S <S> <S ไม่ใช่ดันทุลังไม่ภาวนาไปเรื่อยๆ <S <S> <S แล้วไงแล้วเป็นไงค่ะ มันก็อย่างเนี้ค่ะมันมันอย่างเนี้ยมันเที่ยงไม่เที่ยงอ่ะไม่ค่ะนะดูไปสิมันไม่คงที่สักวันเดียวบางทีมันก็มันก็ขี้เกียจภาวนานะคะแต่ว่ามันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ที่จงใจไอ้ที่ความอยากหรือความจงใจเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีไปองของมันเองอมีบ้างไม่มีบ้างไปตามคือภาวนาเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆนะไม่หยุดหรอก แต่ให้รู้ทันใจที่อยากไว้อะไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปภาวนานะเราคอยรู้ทันใจที่มันอยากใจที่มันเร่าร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมันไปสบายภาวนาไปสม่ําเสมอการภาวนาเลิกไม่ได้สักวันเดียวมีปัญหาอะไรล่ะอีกอย่างหนึ่งูภา<ฮ>วนามาตั้งนานหนูไม่รู้สึกว่ากิเลสหนูลดลงเลยอะค่ะเหรอเราเห็นกิเลสเกิดดับไหมมันก็มีบ้างเห็นบ้างอะค่ะเห็นไห้ความทุกข์ก็เกิดดับความสุขก็เกิดดับ อันนั้นแหละสาคัญกว่านะให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ก็ดีแล้วล่วนะกิเลส้ะเกิดได้ทั้งวันแหะมันปรุงขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ภาวนาเพื่อมันไม่มีกิเลสนะถ้ากิเลสยังมีเห็นอยู่มันก็ยังเกิดอีกเราภาวนาไปเรื่อยพอเราสติเกิดบ่อยๆจิตพุทเคยที่จะเป็นกุศลกิเลสก็หากินยากขึ้นเรื่อยๆ มันก็ค่อยๆอ่อนกําลังอนุสัยอย่าค่อยๆอ่อนกําลังลงอย่าท้อใจอย่าท้อแท้ให้ดูใจที่ท้อแท้ไปเมื่อสาท้อแท้ไม่ได้นะนัปฏิบัติเหนื่อยได้แต่ท้อแท้ก็ได้นะแต่ท้อแท้แล้วก็ดูรู้ทันแล้วภาวนาต่อเวลาเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละที่หมอแดงเป็นอะบางคนหลายคนจะเป็นอย่างนั้นแหละภาวนาแล้วก็รู้สึกพ่อแป้ไปเลยแบบ รู้สึกเมื่อไหร่ไม่เห็นผลนะอยู่ที่ความเป็นกลางนะให้ฝึกไปอย่าใจร้อนจิตขทง เ, เราแต่ละวนันไม่เคยเหมือนกันอยู่แล้วอย่างวันนี้ที่เราว่าไม่ดีไม่ดนะีจริงๆไม่ใช่มันไม่ดีอย่างใจเท่านั้นเองอไปถึงในเบอร์ส5ห้าเชิญที่ผ่านมามันรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่เป็นกลางอะคะ่ะแล้วก็ จะตำหนิตัวเองตลอดเวลาค่ะคืออยากให้มันดีแต่มันไม่ดีดังใจอะค่ะแล้วก็จะมองถ้าดีอย่างใจมันก็เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาทหากบังคับมันไม่ได้เรียนจนยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันชั่วไม่ได้นะเพาสติมันเกิดเราไม่ต้องตั้งใจเป็นคนดีหรอกแบบกิเลสเกิดเรารู้ทันนะมันดีของมันเองไม่ไปโมโหมันสิ59คนสุดท้ายแล้ว ขอนอบน้อมต่อพระรัตนาตายข อ, อขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะมีความจําเป็นที่อยากจะพูดในวันนี้คะ่ะโยมมาปฏิบัติที่นี่เมื่อมีนาปีที่แล้ววันพระรหัสก็เฉียดตายเจ้าคะ่ะก็ขอน้อมนําการฝึกจิตของหลวงพ่อมาใช้ได้ในเหตุการณ์ขับขันนะเจ้าค่ะเหตุการณ์เกิดตรงใกล้ๆเมืองทองโยมก็ขับรถไปจะไปหาหมอ มีฝูงวัวเป็นร้อยค่ะ <c oughs> โถมกระโจนเข้ามาหนีเหมือนคล้ายๆหนีเหมือนกลาหนมาที่รถของโยม <c oughs> โยมก็เพ่งมองแล้วก็คิดตรงนั้นก็กลัวกลัวก็ลืมว่าตกใจไปว่ากลัวลืมสติเสร็จเรียบร้อยโยมก็กลับมารู้ทันทีหลังโยมก็คิดว่าเราจะตายแบบสภาพเละอย่างนี้เหรอ <c oughs> โยมก็เอ๊ะจะหนีออกไปเดี๋ยววัวก็เหยียบ มาเป็นร้อยเลยเจ้าค่ะเป็นร้อยแบบรถเราวิ่งอยู่ป่ะอะไรนัรถ<จ>วิ่งอยู่หรือรถจอดอด้วยรถโยมจอดสนิทเลย ค, ะค่ะแล้วก็แล้วก็วัวมาแบบคาดไม่ถึงก็อยากจะบอกเพื่อนตรงนี้ถ้าขับไปตรงเมืองทองให้ระวังนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้ในส่วนในส่วนของโยมพอโยมมีสติโยมก็มพุโทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆโยมก็ยอมตายเจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยโยมก็คิดว่า กราบขอบพระคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อที่นําคําสอนโยมใช้ได้เมื่อวันพระรหัสแล้วจนมีวันนี้ค่ะอมุทนาค่ะอทําไมล่ะโยมอยู่ในรถบัวมันจะมาทําอะไรโยมเขามาแบบหนีตายมาแบบเป็นร้อยๆเหมือนหนีแบบมาโกลาหนมากาค่ะโขาใส่แม่ประท้วงใครหนีจากโรงฆ่าสัตว์มั <laughs> ้งแล้วโยมขับเข้าไปก็เห็นว่าเหมือนคนมีหนวด ผมยาวๆมองหาโขลงวัวตรงนี้ค่ะแล้วก็โยมข อ, อมขอขอบคุณพระธรรมเป็นอย่างมากที่ได้ ม, มีชีวิตได้เจริญธรรมสืบต่อไปค่ะอนาดีแล้วดีแล้วสาธุเาเชยๆกลับบ้าน